การบวกมันเลยไปกับอันนี้เปรียบเทียบกับว่าการเกิดมันกับค่าความเป็นเลยการมาเป็นหลักภาพนั้นเดิมคือเป็นมันเราทุกคนเป็นมันทั้งหญิงทั้งชายเรียกว่านี้เรียกกันมันเหมือนเป็นธาตุนี้ เป็นมาจากกําเนิดที่เรียกว่าเกิดขึ้นมาเป็นคนในต้นก็เป็นคนอยู่ตามบ้านตามเรือนไม่ว่าเด็กที่คือดะเกิดโตขึ้นมาจากบ้านจากเรือนด้วยกันทั้งนั้นการอบรมสั่งสอนก็เนื่องมาจากครอบครัวที่เป็นแรงปลุกเป็นที่ให้อบรมสั่งสอนก่อนใครทั้งหมดและเองมาย ในการสั่งสอนย่อมเป็นไปตามภิกขุของโลกอันเนื่องจากผู้ปกครองเข้าไปโลกธรรมดาการแนะนําสั่งสอนจึงเป็นไปทางจิตบ้านการเรียนการปฏิบัติตั้งมีตั้งตัวในทางฆราวาสหาความรู้วิชาออกเป็นไปในทางอาชีพเพื่อการดํารงเป็นจิตและความมั่น ของครอบครัวตลอดติถีที่จะเต็มไปก็ให้เต็มไปด้วยความสุขราบรื่นมันเป็นการอบรมในทางหนึ่งที่เรียกว่าทางโลกเพราะเกิดคําชื่อเริ่มใสในพระศาสนาสละตนออกมาจากเถรนั้นก็มากลายเป็นเถรของพระขึ้นมาของเหลนขึ้นมาบัดนี้การ เปลี่ยนแปลงในความรู้สึกและเพศก็ย่อมเป็นไปพร้อมๆกันการเปลี่ยนแปลงในทางเพศก็คือเปลี่ยนแปลงจากความเป็นคาวาสะเดิมมากลายเป็นเพศของพระของหนึ่งความรู้สึกที่จะให้ตรงกันกับเพศของตนก็คือระเบียบแห่งพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ความรู้สึกนึกถึงความประพฤติ ทางกายทางวาจาและทางใจย่อมมีเข้มข้นคือหลักธรรมวินัยเป็นทางเดินเสมอถ้าให้เพี้ยนพลาดจากหลักของพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้แล้วโดยถูกต้องก็ไม่จัดว่าเป็นพระเป็นเณรที่สมบูรณ์แบบการทําตนให้เคลื่อนคลาดจากพระธรรมวินัยนี้เป็นความเสื่อมเสียยิ่งกว่าคารวาสที่มีความประพฤติ ก็เถต่างกันความรู้สึกที่จะให้เป็นไปตามเพศของตนก็ต่างกันแต่แต่เอียงลงแต่ทางตามเถียรแคนี้จึงการตรงควรที่หลามมกยิ่งกว่าใครแล้วว่าขอให้ทุกๆท่านที่เป็นนักญานด้วยกันโปรดทําความสํานึกภายในเพศนี้ตนอยู่เสมอต้องมีความสําคัญเกี่ยวเนื่องกับหลักธรรมวินัยไปตลอดสาย ไม่ว่าการดื่มการเดินการนั่งการเห็นเสียแต่หลักซึ่งเป็นสิ่งที่สุขสิ่งที่สุขวิสัยให้สามารถที่จะปกครองตัวได้ในเวลาเช่นนั้นการมาบวชเป็นพระเป็นฤาษีจะทําให้ตามความชอบใจเหมือนอย่างใครว่าย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะผิดกับเพศของพระหน้าที่ของปกจําต้องคํานึงถึงหลักพระธรรมวินัยที่ เป็นเครื่องประจำเพศของตนสมมุติมีแลที่ว่าเป็นสมณะที่ถูกตามแบบฉบับนี้ว่าสมบูรณ์แบบของสมณะที่บวชไว้การปกครองไม่มีสิ่งใดที่จะปกครองยากเหมือนกันกับกับการปกครองตนสมฤทธิ์ เป็นเรื่องที่ยากหน้าที่ทางฆราวาสก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันแต่มีต่างกันอยู่บ้างเพราะเพศเป็นเครื่องพาให้แตกต่างกันจะถึงยังไงก็ตามเรื่องการปกครองตนนี้ย่อมถือว่าเป็นของยากตามความเป็นฆราวาสและความเป็นพระซึ่งมีหน้าที่ต่างกันแต่จําต้องถือการปกครองตนเป็นหลักสําคัญ โลกจะมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความมั่นคงแต่ละครอบครัวแต่ละบุคคลมีความเจริญรุ่งเรืองได้ถ้าสมบัติที่อยู่ที่อาศัยกับทรัพย์เครื่องใช้ต่างๆก็ต้องอาศัยการศึกษาการอ่านการลื่นเคลื่อนของใครนอกจากนั้นคนผู้เป็นเจ้าของสมบัติจะต้องอบรมตนเองโดยถูกต้องสมบัติที่มีอยู่และที่จะมีมาจึงจะมีอยู่ด้วยความล่มเจริญและมีมาด้วย คำตอบครับการจับจ่ายชายสอยไปก่อนเป็นประโยชน์ต่อตนเนื่องจากตนได้รับการอบรมถูกต้องแล้วการจับจ่ายชายสอยและการนําหาฟักมาย่อมเป็นมาด้วยความราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อตนผู้เป็นเจ้าของเสมอไปนี่คือการปกครองตนเองให้ถูกต้องตามหลักของคารวะเล่าเรียนคือที่ปกครองตนไม่ได้นี้อาจจะมีพรรคสมบัติบัดมากพะไวยของ อันตระทานเป็นเหมือนกันกับว่ามีปีกมีขาบินไปเรื่อยๆแต่ไม่ปรากฏว่าบินกลับมาเนื่องจากผู้เป็นเจ้าของมันมีความฉลาดประพฤติตนไปตามความชอบใจไม่ได้คำนึงถึงว่าถูกผิดในการจับสัตว์ที่หามาสิ่งใดที่ได้มาก็ได้มาด้วยความเดือดร้อนตายไปก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการปกครองตน เพื่อทำบรรคทั้งหลายและเพื่อความมั่นคงแก่ตนในอนาคตจึงเป็นเรื่องจําเป็นทั้งทางคณะวาดและธรรมลปุแต่เพราะอย่างยิ่งทางนักบวชไม่ควรมีการยุ่งหยิงวุ่นวายกับภิกขารวาสมีหน้าที่ที่จะปกครองโดยตนโดยเฉพาะตามหลักของพระธรรมวินัยทั้งนั้นจึงควรที่จะมีแก่จิตใจไกลและหนักแน่นในหน้าที่การงานของตนอย่าได้ลดละ เพราะว่ากรรมนี้ตัวจะมาดัดแปลงตนเองสังหารแก้ไขสิ่งที่เป็นค่ากิเลสของตนเองที่พระพุทธเจ้าท่านให้นามว่ากิเลสก็คือความสมองเบื้องต้นของข้อสมองที่ใจระบายออกมาพอมาธรรมวาจาให้สมองหยาบยิ่งใสกว่านั้นก็ทําความประพฤติของเราที่ออกในทางกายให้เป็นสิ่งที่สมองไปเรียกแสดงอาการออก ได้ออกมาที่ว่ากิเลสแล้วจะทําความสงสัยให้แก่บุคคลเป็นที่ยินดีสําหรับผู้ละเป็นเจ้าของและผู้อื่นที่ได้เห็นได้ยินนั้นย่อมเป็นไปแน่นอนเพราะฉะนั้นท่านจึงตําหนิตลอดมาไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดย่อมตําหนิความสมองที่ให้นําว่ากิเลสนี้ว่าเป็นภัยแก่บุคคลยิ่งใหญ่กับเสมอไปไม่มีข้อยกเว้นศาสนธรรมนี้จะสืบทอดกันมาจากพระพุทธเจ้าองค์ต่างๆก็ตามแต่ก็ลงใน <c oughs> หลักที่ถูกต้องด้วยกันพึงทรงตำหนิในสิ่งที่ควรตำหนิและทรงชมเชยในสิ่งที่ควรชมเชยเหมือนกันหมดนี้เราบวชเข้ามาเพื่อจะกําจัดดัดแปลงตนเองหรือฆ่ากิเลสตามที่ท่านปรับไว้เป็นภาธิกหลักโทธังคัฏฐะสติเอาโทธังคัฏฐวาทุกขังเสตินี้เป็นต้นฆ่าความโกรธไปแล้วอยู่เป็นจุดความโกรธก็เป็นกิเลสอันนี้ ยังย่อยก็เป็นกิเลสยังใหญ่หลวงก็เป็นกิเลสไม่ว่าประเภทใดเนี่ยมีอยู่ก็ต้องทําใจให้สงบเมื่อพอใจส่งเสริมคิดขึ้นมาจะโดยความรู้สึกกลัวหรือไม่รู้สึกตัวก็ตามผลก็ต้องตามออกมารังควานตนเองให้รับความไม่สุขเพียงเดียวกันนี่ครับพระพุทธเจ้าท่านเป็นสอนให้ละสอนให้แก้ไขทางที่ออกของกิเลส ก็มีตาหูจมูกลิ้นกายทางที่เกิดของกิเลสก็คือใจสถานที่ของแวะของกิเลสก็คือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่เป็นสถานที่คล้องแวะของกิเลสที่ออกมาจากใจโดยอาศัยทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทางเดินต่อไปแนวผู้เป็นนักบวชมีหน้าที่ที่จะต้องสังเกตสอดดูและแก้ไขดัดแปลง หรือสังหารสิ่งที่เห็นว่าเป็นข้าศิษย์เป็นชั้นๆไปด้วยอำนาจแห่งความเพียรจึงเป็นผู้ไม่ควรลืมตนอย่างยิ่ง 1 ไม่ลืมสถานที่ที่เกิดของที่เลข 2 ไม่ลืมไม่ลืมทางเดินของที่เลขคืออายตนะภายใน 3 ที่ห้องและของที่เลขทุกประเภทจะไปเที่ยวห้องหรือผัวพันธุ์สังสมทุกข์ขึ้นมาให้นี้เป็นเยือนมากได้แต่ ไยคณะภายนอกดังที่กล่าวผ่านมาแล้วผู้มีธรรมสงวนรักตนเพื่อให้พ้นจากสิ่งที่เศร้าหมองย่อมจะต้องระมัดระวังจุดทั้ง 3 หรือสถานที่ทั้ง 3 นี้ด้วยความเพียรนี้สติปัญญาเป็นเครื่อมพิจารณากั้นกรองหรือสอดรู้เสมอไม่ได้มองเห็นสิ่งใดด้วยความเลินเล่อเกอสติได้ยินได้สัมผัสเป็นต้นในสิ่ง ที่มาเกี่ยวข้องกับใจโดยความไม่มีสติต้องระมัดระวังสมองนี่ที่ว่าภูมิความเพียรระวังสังรวมตนไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดตามธรรมนาของใจที่มีกิเลสอยู่แล้วย่อมจะสะสมกิเลสในสถานที่เกี่ยวข้องหรือในสิ่งที่เกี่ยวข้องนั้นนั้นจะเป็นดีเป็นชั่วตามความชอบใจของตนเห็นว่าดีว่าชั่วนั้นก็ปากจะต้องเป็นกิเลสขึ้นมา ถ้าไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องกั้นกลางไว้แล้วจะเป็นแต่กิเลสล้วนๆตาหูจมูกลิ้นกายจะพลอดประพันธ์ไว้ตลอดเวลาทั้งแบบเป็นทางเดินของจิตเที่ยวแสวงหาอาหารที่เป็นยาพิษมาเผาดลตนเองได้มาโดยได้มาจากทางรูปบ้างทางเสียงบ้างทางกลิ่นทางรสทางเครื่องสัมผัสถูกต้องบ้างได้มาจากอดีตที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ด้วยบ้างได้มาจากอนาคต ที่ยังไม่ปรากฏสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาภายในปัจจุบันข้อจริงแต่ก็คาดไว้จากสิ่งเหล่านี้โดยมโนภาพของคนมั่งที่เป็นคติธรรมนาของใจที่มีกิเลสก็ต้องเป็นอย่างนั้นเสมอแล้วคู่เป็นนักสังเกตและพยายามแก้ไขตนเองแล้วจึงควรสำเนียกสอดรู้ความเคลื่อนไหวของใจที่จะเดิน ไปตามสะพานคือตาหูจมูกลิ้นกายอันเป็นทางเดินมาตลอดเวลาว่าจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดบ้างสิ่งที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นสิ่งที่จะให้คุณหรือให้โทษแก่ตนเองต้องคอยตั้งเก็บตนหมายจึงในที่เห็นมาจะเป็นโทษพยายามผิดกันจิตใจของเราไม่ให้ไปเกี่ยวข้องนอกจากนั้นยังพิจารณาแยกดูเหตุดูผล ได้ตัวที่จะเกิดขึ้นจากความเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆโดยทางสติสัมปัญญาแล้วนําจิตถอยเข้ามาด้วยความมีเหตุมีผลที่ได้พิจารณารอบคอบแล้วเข้ามาสู่จุดเดิมของตัวคือความรู้แล้วปรมัตตวังรักษาอยู่อย่างนี้ไม่ว่าจะออกไปเกี่ยวข้องกับวัตถุหรืออารมณ์อันใด ซึ่งเป็นสถานที่ของและของใจมาเป็นเวลานานแต่ทําความไก่กลองเสมอเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นเรื่องที่จะต้องได้เห็นได้ยินได้สัมผัสเสมอเพราะใจเป็นภูทาให้รู้เสมอและจริงหรือสถานที่ห้องแลเหล่านั้นก็ต้องมาเกี่ยวข้องกับใจเพราะใจเป็นภูมีความสนใจอยู่ตลอดเวลา ที่จะอยากรู้อยากเห็นอยากนับถึงสัมผัสโดยไม่คำนึงถึงความดีชั่วสุขทุกข์แต่ดันหมายนี่เป็นคติของใจสามัญชนเราเป็นอย่างนี้แต่คติแห่งใจของบุคคลผู้เป็นนักปฏิบัติจะไม่ให้เป็นดังนั้นแต่จะให้มีเหตุมีผลมีเครื่องทดสอบดูดีชั่วสุขทุกข์จากสิ่งผิดมาสัมผัสกลับไปและจากไกลที่ ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งอย่างนั้นเสมอไปนี่ผู้ปฏิบัติต้องเดินไปตามทางสายนี้แน่จะเห็นเหตุเห็นผลจากความเคลื่อนไหวของใจที่ไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ได้ทุกระยะไปละเมื่อใจได้รับการฝึกฝนอบรมทดสอบหรือแสดงเหตุผลให้ทราบจากทางปัญญาเสมอแล้ว ถ้าไม่ดื้อดึงหรืออาตเปลื้องไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เคยเป็นข้าติดมาแล้วโดยเห็นว่าเป็นคุณดังที่เคยเป็นแต่จะกลับเห็นว่าเป็นโทษแล้วไม่แล้วมีความขยักขะแหยงต่อสิ่งนั้นนั่นแหละใจจะได้รับความสงบเย็นใจแล้วจะจัดกําหนดในทางสมาธิให้เข้าอยู่โดยลําพังตนเองก็จะเป็นมากเป็นไปได้ตามใจหวัง การธรรมดาของจิตถ้ายังมีข้อแวะหรือเกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดอยู่จะเข้าสู่ความสงบไม่ได้ต้องซึ่งเรียกว่าเป็นผู้ยังก่อกังวลหรือก่อเรื่องแต่ตัวอยู่ไม่ได้ปล่อยวางกับเพื่อนมันแล้วเข้ามาอยู่โดยลมทางของเองไม่ได้จิตจะหาความสงบได้ได้มีบาวิธีที่จะให้จิตสงบนี้ แต่สิ่งที่สําคัญต้องใช้ทั้งทั้งด้านปัญญาทดสอบและกลองดังที่กล่าวนั้นจากสิ่งที่จิตไปเกี่ยวข้องสัมผัสและแสดงเหตุผลให้จิตได้ทราบทัศน์ตามหลักความจริงในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องทั้งดีชั่วสุขทุกข์จนจิตได้ยอมยํานนตนเองย้อนเข้ามาด้วยความไม่มีอะไรกับจิต ที่เคยเกี่ยวข้องนั้นเข้ามาสู่ความสงบได้นี่โดยเรียกว่าจิตเป็นสมาธิได้ด้วยอุบายวิธีอย่างหนึ่งวิธีอย่างหนึ่งให้กําหนดโดยมีธรรมะบทใดบทหนึ่งเข้าเป็นเพื่อนอาศัยของจิตให้จิตได้ยึดติดกับธรรมนั้นโดยไม่มีความเสียดายกับอารมณ์ อันใดนอกจากอารมณ์แห่งธรรมที่กําลังพิจารณาอยู่ทั้งนี้โดยความมีสตินี่ก็เป็นทางที่จะให้จิตเข้าสู่ความสงบได้อีกทางความสงบทั้ง 2 ทางนี้ผลที่ปรากฏขึ้นเป็นความเย็นใจจะเรียกว่าเป็นเอกัคคตาอารมณ์คือมีอารมณ์เป็น 1 ได้แต่ความรู้อันเดียวเท่านั้นไม่มี 2 กับอื่นใดดังนี้เหมือนกับทั้ง 2 ประเภท แต่อุบายวิถีแต่สิ่งที่จะให้เกิดความเย่อพายแปลกปรากฏจากกันก็คืออุบายวิธีที่จะที่ทําจิตของเราให้มีความสงบลงได้ด้วยปัญญานี้นี้สึกว่าเกิดความกระหาญต่อสิ่งที่มาเกี่ยวข้องแม้จิตจะพร้อมขึ้นมาแล้วก็ตักเป็นเหตุให้เกิดความกระหาญต่อสิ่งทั้งหลายไม่เพียงแต่ได้รับความสงบ เต็มไปเท่านั้นแล้วถอยถอนขึ้นมาแล้วเข้าหมดความสงบไปนี่เป็นอุบายวิธีเนี่ยที่ผู้นับปฏิบัติจะควรนํามาใช้ในบางการที่ควรใช้ทั้ง 2 วิธีนี้จะเป็นนิธิใดก็ตามตามแต่การเวลาที่คนควรจะนําอุบายใดมาใช้ด้วยความสนใจจริงๆแล้วจะเป็นผลขึ้นมาดังที่กล่าวเหมือนกับคืบ ความความสุขดํารงตนอยู่ได้โดยลําทางปั่นเองซึ่งไม่มีอารมณ์อะไรเกี่ยวข้องเลยในนั้นจิตที่ดํารงตนอยู่ได้โดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับอะไรนั่นแลท่านว่าจิตเป็นอิสระเสรีจะเป็นชั่วขณะก็ตามก็เรียกว่าอิสระเสรีได้จะเป็นเพียงขั้นนี้ก็ตามก็เรียกว่าอิสระเสรีของจิตในขั้นนี้ ยิ่งมีความละเอียดมากขึ้นไปกว่านี้และสงบได้มากขึ้นไปกว่านี้ก็เป็นอิสระเป็นชั้นๆขึ้นไปเนี่ยธรรมที่กล่าวเหล่านี้เป็นธรรมจําเป็นสําหรับนักบวชเราอย่างยิ่งผู้บวชมาในพระศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งคือเป็นนักปฏิบัตินักปฏิบัติด้วยแล้วจึงควรจะตระหนักใจ ในจุดที่กล่าวนี้อย่างนี้จุดนี้แลเป็นจุดที่จะเห็นทั้งโทษทั้งไทยเห็นทั้งคุณเห็นทั้งความสุขความเจริญภายในตนเองเห็นทั้งโทษภัยภายนอกด้วยภายในด้วยเห็นทั้งความสุขส่วนญาติส่วนกลางส่วนละเอียดภายในตนด้วย เพราะนี้เป็นจุดของโลกธรรมโลกเราอยากเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเป็นโลกโดยว่าธรรมชาติที่รู้นี้ไม่ใช่โลกแท้จริงก็คือธรรมชาติที่รู้คือใจนี่แหละเป็นหลักของโลกของธรรมทั้งหลายและเป็นผู้ที่หลงโลกติดโลกที่สิ่งที่มีอยู่ทั่วๆไป การพิจารณารู้ธรรมชาตินี้ด้วยอุบายที่ชอบตามหลักธรรมของพระโพธิสัตว์จึงจัดว่ารู้ทั้งโลกปดรู้ทั้งธรรมด้วยมีความรู้ความละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ก็แสดงว่าเป็นผู้ที่รู้เรื่องของโลกของธรรมกว้างขวางและละเอียดในธรรมรู้ธรรมชาตินี้จนถึงจุดที่สุดแดนของความรู้แล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้เรียนโลกจบเรียนธรรมก็จบในเวลาเดียวกัน เพียงโลกจบก็คือความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งภายนอกภายในภายในที่เป็นไปอยู่ตลอดเวลาเป็นปัจจุบันและอนาคตนั้นก็เป็นไปอยู่เช่นนี้มาสิ้นสุดตรงที่ใจได้หายคงใสกับสิ่งที่เป็นเหล่านั้นแยกกันออกหน้าโดยความไม่มีเสียดายอะไรตามหลักธรรมคือปัญญา ละรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมชาติที่ไปเกี่ยวข้องกับโลกว่าคือใจนี้เท่านั้นเป็นตัวของโลกอันแท้จริงเป็นผู้หลงโลกอันแค่จริงด้วยเมื่อรู้อย่างเต็มที่แล้วก็กลายเป็นธรรมอื่นที่เรียกว่ารู้ธรรมอย่างสมบูรณ์จะไม่รู้ 84,000 พระธรรมขันธ์เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าก็ต่างแต่ก็จัดว่ารู้ธรรมแบบเอ้อ ชมพูนในหลักธรรมชาติของตนดังสามวกทั้งหลายได้รู้ตามพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสามวกอรหันต์ท่านเหล่านี้ที่ว่าท่านรู้ธรรมโดยสมบูรณ์ในหลักธรรมชาติของท่านส่วนอีกย่อยที่จะรู้ความกว้างขวางมากมายไปที่ไหนนั้นตามแต่นิสัยวาสนาของคนเราไม่เหมือนกันย่อมมีเลื่องล้ําต่ําสูงต่างกันและกว้างแคบต่างกัน อนันตพุทธเจ้าไม่ถือเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญอะไรมากนักยิ่งกว่าความรู้คําในหลักธรรมชาติรู้ตนโดยรอบคอบรู้โลกโดยรอบคอบรู้ธรรมโดยรอบคอบโดยสุดหมดกับอยู่ที่ใจเพราะเรียนเรื่องของใจจบนี่แหละเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่ง เรื่องของใจนี้เป็นเรื่องมากมายขาดตอนขัดตอนจึงควรเรียนให้จบถ้าเรียนเรื่องของใจจบแล้วจะไม่มีสิ่งใดมาทําการก่อคววนให้ขณะธรรมเกิดตอนหุ่นวายหรือความเพ้อเพลินพุ่งเพ้อโซ่ๆเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาชีวิตเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แปลกไม่ใช่เป็นสิ่งดั้งเดิมและกําหนดธรรมชาติจึงมีความเปลี่ยนแปลงตัวเองไปมาก <c oughs> นี่อย่างที่จริงสําคัญญาณนี้จบแล้วอยู่ที่ไหนก็สามารถไอ้เรื่องทบเรื่องชาติต่างคนต่างสัตว์ต่างเกิดมาตายด้วยกันเกิดมาตายไปด้วยกันจนนับไม่ถ้วนก็คือเรื่องของกรรมพอผ่านมาแล้วอย่างชาตินี้แต่ปรากฏตัวในชาติหน้าก็ลืมชาตินี้เสียแล้วเข้าใจว่าตนไม่เคยเกิด เกิดชาติไหนตายในชาตินั้นตนเองยังไม่สามารถจะทราบได้ในการเกิดการตายของตนจึงเป็นเหตุให้เกิดความสงสัยในเรื่องนี้ต่างๆเช่นสงสัยว่าตายแล้วมันจะเกิดป่าวหรือตายแล้วผลิกอะไรต่อใหม่นี่เป็นเรื่องความหลงเรื่องของตัวเท่านั้นจึงเรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่โตมากเรื่องของจิตหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนลงทุกบททุกบาทสอนให้รู้เรื่องของตัวเอง ส่วนให้รู้เรื่องของใจที่เป็นเจ้ามายาเป็นนักของเถิดตัวใจจะจะตายอยู่ตลอดสายไม่มีจบถิ่นลงได้ว่าเมื่อต้นต้นมีเมื่อปลายอยู่ที่ไหนก็คือเรื่องของจิตเพราะจิตไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายมีแต่ธรรมมีธรรมแต่ความรู้ของจิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเสมอดังที่เราเห็นดีปัจจุบันนี้ความรู้อันแค่ฉินนั้นมีความรู้อันเดียวเท่านั้นแต่อาการของที่เกิดขึ้นจาก หลักอันตั้งเดิมคือใจนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องสิ่งไหนมาเกี่ยวข้องมีลักษณะอย่างไรดีชั่วตลอดถึงศีสันมันนะมีลักษณะอาการอย่างไรจิตจะต้องแปรสภาพไปตามอาการนั้นๆไม่มีจิ้นสึกจิตจึงจัดว่ามีเรื่องมากไม่มีนิชาบทใด คณะไหนและผู้ใดจะสามารถนําเข้ามาแก้ไขจิตใจให้รู้เรื่องของตนโดยสมบูรณ์ได้เหมือนอย่างหลักวิชาของพระพุทธเจ้าที่รู้ที่เห็นที่เป็นเป็นวิชาที่เยี่ยมยอดสามารถตรวจตรอมหรือรู้เรื่องของตัวเองได้อย่างแท้จริงดังกับพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้น ได้ทรงรู้เห็นตลอดสายในความเป็นมาของพระองค์โดยไม่มีพ่อคงใสจึงได้นําวิชาที่สมบูรณ์แบบออกมาจากคําที่ว่าสวดขาตธรรมนี้มาของโลกและเป็นวิชาที่แน่นอนไว้ไปนักถ้าผู้ปฏิบัตินําหลักวิชาที่พระองค์ท่านสอนนี้ไปประพฤติปฏิบัติแก้ไขเป็นอย่างไรจะเห็นเรื่องทั้งหมดเป็นชั้นๆครับ จึงสามารถรู้เรื่องของตนได้โดยรอบครอบสิ้นสุดในเรื่องของตนโดยได้มีทางกระฉุนใจต่อไปอีกมีการเรียนเรื่องของตัวเองนี้จึงรู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่โตอย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยโดยเห็นสิ่งอื่นว่าเป็นเรื่องจําเป็นมากกว่าจะรู้เรื่องของตนถ้าเรายังไม่รู้เรื่องของตัวในแง่แง่ใด เรื่องรู้เรื่องของตัวโดยสมบูรณ์ดูกราบในเรื่องของจิตนี้จะต้องแสดงความหิวโหยอยากรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดไปถ้าไม่ทราบถึงเรื่องต้นเหตุว่าใครเป็นผู้อยากรู้ใครเป็นผู้อยากเห็นใครเป็นผู้เกิดทุกข์จะเจ็บปานใครเป็นผู้ได้รับความทุกข์ความลําบากมาตลอดถายนี้คือใครไม่ทราบต้นเหตุการเรียนธรรมะจึงเรียนเข้ามาหาต้นเหตุคือใครถ้าจะพูดถึง สัจธรรมก็คือเรื่องของใจเป็นผู้แสดงสัจธรรมออกมาอย่างเปิดเผยเช่นเกิดก็ออกมาจากใจถ้าใจไม่มีสัจธรรมจะหาที่ไหนได้ล่ะต่างกันต่างที่ตามธรรมดาเราจะเรียกเค้าว่าเป็นสัจจะหรือไม่เป็นจริงนั้นนั่นไม่เป็นปัญหาสําคัญที่ตัวใจเนี่ยเป็นตัวสัจธรรมแต่ไม่รู้เรื่องของตัวมีเท่านั้นจึงทําให้ได้รับความทุกข์ความลําบาก ให้มีจบสิ้นและไม่มากายของผู้ใดก็ต้องเป็นทํานองเดียวกันและไม่มียาขนาดใดมาแก้นอกจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีเท่านั้นฉะนั้นโปรดให้พิจารณาในภิสูจเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะเรื่องเกิดเรื่องตาย จึงแสดงอยู่กับตัวนี้ให้เห็นครับจะกําจัดความคงไฉนหรือปุ่งเพื่อเพื่อเห็นโดยมีความอยากเป็นเครื่องขัดขวางอยู่ตลอดเวลานั้นได้เป็นลําดับนี้จึงสามารถถอดถอนความอยากที่เป็นเครื่องขัดขวางนั้นออกได้ตายจากหมดความอยากโนวทั้งหมดความอยากแท้กว่าสบายแม้แต่หิวข้าวก็ไม่สะเดิด เป็นความเพลิดหีมากเท่าไหร่ก็ยินเป็นทุกข์มันถ้ารับทานให้หยิบน้ําทํานานเสียแรงทําอยากก็หายไปเราก็สามารถแต่อันนั้นมันเป็นขึ้นเป็นบางครั้งบางคราวแต่ความอยากของจิตนี้รู้สึกกับมีอยู่ตลอดเวลาไม่เลือกการสถานที่เวลาไหนเป็นอยู่เช่นนั้นมีความหิวโหยอยู่กับด้วยอารมณ์อารมณ์โดยมาก จิตมีความนี้โหดต้องการมันเป็นอารมณ์ที่เกลียจ์ก็อยากคิดทั้งนั้นจึงไม่สามารถที่จะระงับดับจิตตัวอยากนั้นให้หายอยากไปได้นอกจากหลักธรรมเท่านั้นจะเป็นเครื่องแก้ไขเมื่อแก้ไขทําอยากกันมากเท่าไหร่ลดชาติคือความอิ่มพอก็แสดงขึ้นมาเป็นระยะไประยะเมื่อชำระความอยากให้หมด โดยซึ่งเชิงนั้นไม่ว่าอยากส่วนประเภทไหนแต่ก็มีคําหยัดนั่นแลที่เรียกว่าเป็นผู้มีความผุดผาดตรงทิพย์ไม่มีสิ่งมาพวนกันท่านผู้ใดผู้ใดสนใจไม่หนีหลักจากคําว่าตรงหฤทัยเนี่ยท่านผู้นั้นจะมีจุดหมายปลายทางเป็นที่สมหมาย ธรรมะความเทียนเคยได้อธิบายให้ทราบกันมาทุกประยะเพียงดังยากอย่างกลางอย่างละเอียดจัดว่าเป็นธรรมเทียนทั้งนั้นเออถ้าอยู่กับธรรมเทียนเรียนเถอะเรียนเถอะ